أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيئة أعمالنا ما يهده الله فلا م د ل ل ه وما ي د ل ه فلا ه ا ل ي ل ه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلّا ل أ و ل ي ن والآخرين وأشهد أن نبينا م ح م د ا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين الحقار يسعل تين كله ولو كلها الكافلون فيلسف. فإن استقل حديث كتاب الله وخلال ه ج ه د ل م ح ا م س ر َ س ل ى ا ل ل ه ع و ي ا ل س ل م و ش َ ا ن الْأُمُورِ م ُ ح ْ ر س َ ت ُ ه َ ا و َ ق ُ ل م ُ ح ْ ر س َ ة ِ ا ل ب ِ د َ ا ع ِ مَا ب َ ق َ س َ ل َ ا م عَلَيْكُمْ و َ ر َ ح ْ م َُ ا ل ل َّ ه و ب ر ك ا ت ه ل ق ر ق ر َ ت ع ا ل ى ف ي ك ْ ر ِ ا ل د َّ ب ِ ل ف ج َ ر ِ ي م ٍ ب ا ل ْ فَجَّ و ا ل َ ي َ ا ل ِ ا ل ْ ذ َ ش ْ ر ِ وَالشَّفْعِيِّ و َ ا ل ْ و إرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمد و الذين تابوا الصخر بالود وفرعون ذي الأوتاد الذين تغو في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوء عذاب. ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งในช่วงการอธิบายอัลกุรอานเรายังคงพูดคุยกันอยู่ในหลังจากที่ ผูล้ลอสุบฮาห์นะฮุนวาตาลาได้กล่าวว่าในช่วงแรกของสุลตุลฟัตถึงเรื่องการสาบานที่ผู้ลอสุบฮาห์ท่านได้สาบานกับรุ่งอรุณค่ำคืนทั้งสิบสิ่งที่เป็นคู่สิ่งที่เป็นขี้แล้วยามค่ำคืนเมื่อมันได้ย่างไก่เข้ามาผู้ลอได้กล่าวว่าไงนะครับในการสาบานดังกล่าวนั้นไม่ได้มีสติปัญญาไม่ได้มีสาระไม่ได้สร้างให้เกิดอี إ ي ่านขึ้นสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาอย่างแท้จริงบ้างเลยกรณ์นั้นหรือ เมืเ่อโพลล์ไส้ทรงสาบานแล้วก็ได้บอกต่อให้เราได้ไขคค้ควรได้คุ้นคิดพโพลล์ได้ชวนเราคิดต่อครับผมอมราร์มเจ้ารอเกยฟสว่าเรารับรูก่บีอาดเจ้าไม่ได้เห็นหรอกหรือว่าพ่ะผู้อวีบานของเจ้านั้นได้ทําอย่างไรบ้างกับกลุ่มอาร์เจ้าไม่เห็นหรอกหรือว่าผู้อีบานของเจ้านายของเจ้านั้นได้ทําอะไรไว้บ้างกับกลุ่มชนของชาวอาร์ อายะกุรานสั้นสั้นอายะนี้ครับมีประเด็นที่น่าขบคิดมากมายครับผมช่ว่านากักถายที่ใบกุรานท่านได้แสดงขัสนะได้อธิบายได้คุ้นควาแล้วก็ได้ให้ข้อคิดเป็นการเตือนสติแก่เราประการแรกครับเช่าไม่เห็นดอกหรืออาร์มตรอร์แปลว่าพระอรหชวนให้เรามองชวนให้เราดูชวนให้เราคิดถามว่ากลุ่มชนของอารเนี่ยเราไปมองไปดูไปยังไงได้หรือเปล่าครับผม อย่างที่เราทราบกลุ่มชนของอาซ์อยู่บริเวณประมาณเมืองเยเมนยาวไปจนถึงฮัตทรอมมุดพื้นที่กินพื้นที่มากมายแต่ว่าพื้นที่ทั้งหมดเหล่านั้นในปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบเลี่ยนเตียงโลง่งคือไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถไปอยู่ได้ซึ่งเป็นตามปกติธรรมชาติในการลงโทษของพระลอสซูบาหาวุตาที่เมื่อพระลาสทรงลงโทษกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดในสารที่แห่งนั้นจะมีบราระฆาเกิดขึ้นได้อีก จะไม่มีความดีงามใดๆเกิดขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยพระอัลลอฮ์ชวนให้ท่านนบีมองชวนให้ท่านนบีดูถามว่าใช้ท่านนบีไปดูที่ผืนแผดิที่อาร์ตเคยอยู่หรือไม่ใช่การชวนมองชวนดูในที่นี้ก็คือให้ใขว่ขวรแล้วก็มองโดยใช้อิหมาดมองใช้จิตวิญญาณมองอย่างที่เราได้บอกคือว่าพระอัลลอฮ์สุบฮานต์ราสร้างมนุษย์มานั้นประกอบด้วยอง์ประกอบหลักๆสามค์ประกอบเรามีกายเนื้อ มันอาจจะขาดอาจจะอะไรยังไงก็คือร่างกายอาจจะยังดำรงอยู่ได้อยู่แล้วก็มีความคิด จ, จิตใจมีส่วนที่เรียกว่าหัวใจที่เป็นความคิด จ, จิตใจแล้วก็มีส่วนที่มนุษย์ไม่มีทางเข้าถึงข้อเท็จจริงของมันได้นั่นก็คือเรื่องของวิญญาณนี่คือ3องค์ประกอบที่พวกลัทธิสุบาตราสร้างมนุษย์มาให้เป็นมนุษย์เป็นคนคนตอนนี้พวกเรานชวนให้มองดูสิ่งที่มันไม่หลงเหลือร่องรอยอะไรแล้วพวกเราะให้เราได้ ให้ควรให้เราได้คิดให้เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ให้เราได้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมองในมุมมองของมุสลิมไม่ใช่มองในมุมมองของนักประวัติศาสตร์เฉยๆที่ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นนี้มันเกิดงั้นมันเป็นงงนี้แล้วมันก็จบไปโอเคก็จบไม่ใช่อันนั้นก็คือมองยังไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าจะมองได้ประโยชน์สำหรับผู้ศรัทธาเมื่อพว้เร่าชวนมองหมายถึงชวนให้เราใช้อิมาน ใหเราใช้จิตวิญญาณในการไขขวนจิตวิญญาณในการเป็นบ่าวของผู้รอดสุภ า, านุวาตะยแล้ที่เรานั้นอยากให้พวกรักเราเราก็ต้องดูว่ากลุ่มชนที่ผู้รอดชวนเราพูดตอนเนี้ยชวนเรามองตอนเนี้ยเขาเป็นอย่างไรเลยเขาทําอะไรมาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะไรบ้างที่เราจะต้องระวังไม่ให้ไปซ้ารอยเขาหรืออะไรที่เราควรจะทําเหมือนกับเขานี่คือเวลาที่มีการชวนให้ได้คิด ที่มาจากพวกลอสซูบฮานูอาตาอาราเป็นนั้นพี่น้องดูครับอารามตลอเวลาที่อารามตลอดนี่คือเป็นเรื่องที่เราต้องคุ้นคิดกับมนันเยอะแล้วเราต้องใขว่ขวนเราต้องมองแล้วต้องพิจารณาให้มากมายไม่เป็นการสร้างที่พวกเราชวนให้ดูเรื่องของการสร้างอูดหรือว่าอะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับช้าช้างหรืออะไรที่พวกเราชวนมุสลิมต้องให้เวลาในการศึกษาแล้วก็ใขว่ขวนอารามตรอด كيففعلرببكبيعات พวกเราหลายๆท่านทราบกันดีครับกลุ่มชนอาร์เนี่ยเป็นหนึ่งในสต้องบอกว่าเป็นกลุ่มชนอาหรับที่ท่านนบีมูฮัซลลอฮฺสลมามะบอกว่านบีที่เป็นนบีอาหรับจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่4ท่านที่ถูกเรียกว่าเป็นอาหรับจริงๆนะครับก็คือนบีฮุดกลุ่มชนอาร์ตไดแหละถือว่าเป็นอาหรับจริงๆ แล้วก็นบีซาเลห์ที่อยู่กับสมุทซึ่งอินชาอัลล์เราจะได้พูดคุยกันแล้วก็นบีชูเอฟที่อยู่ม า, าราลแล้วก็ท่านนบีมฮัมมัดสลหละฮของอัสลมซีท่านนี้เป็นอาับแท้นบีมอไม่ใช่อาลับนะครับบางท่านจะบอกอ้าอยู่มะไม่ใช่หรอท่านเป็นกริปตี้อิบรอนี้อ่า อ, อบรียครับก็คือตามพ่อของท่านก็คือตามนาบีอิบรอฮีมก็คือไม่ใช่ชาวอาลับจริงแต่ท่านมาอยู่ที่ซาอุแล้วก็เป็นอ่าผู้ตั้งรกรากที่กาบาอย่างที่พวกเราทราบกันดี ลูกหลานของท่านก็ถูกนับว่าเป็นชาวอาหรับเพราะถือว่าอยู่แล้วก็เกิดที่อาหรับจริงอิบรา่กับอาราบ็ก็กยากกันนั่นแหละครับก็มาจากนบีอิบรอฮมเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมอิบรี่แค่ไปทางเชื้อสายมีรมปรมไปอิสราเอันนั้นเป็นอิบรแล้วก็นบีถัดลงมาจากนบีอิสมาอิน ล, ลงมาก็จะเป็นอารบซะเป็นส่วนใหญ่ก็วัเราอาหรัครับ ในที่เนี้ยครับพี่น้องเรารู้แล้วว่ากลุ่มชนอาร์ตเนี้ยเป็นกลุ่มชนที่ว่าถูกลงโทษถูกทําลายล้างเป็นกลุ่มชนแรกๆเลยที่โดนนับจากสมัยของนบีนัวนับจากสมัยนบีนัวคือสมัยนบีนัวเนี้ยคือการลงโทษครั้งใหญ่หลวงแล้วเป็นการล้างแบบล้างบางไม่เหลืออะไรเลยคัดมาจากนบีนัวก็มีกลุ่มชนอาร์ตเนี้ยที่แบบโดนล้างบางเช่นเดียวกันซึ่งอาร์ตเนี้ยก็มีสองกลุ่ม อารอลูลากับอารอัสานีแรกกับอารสองอารสองก็หมายถึงกลุ่มของนบีซาเลห์ซึ่งอินช่าลอตเดี๋ยวเราค่อยคุยกันครับผมเรื่องของมะรินซาเลห์กลุ่มอารเนี่ยถูกลงโทษกลุ่มอารเนี่ยถูกทำลายประเด็นที่น่าสนใจพวกเราใช้คำว่าเจ้าไม่ได้สังเกตเจ้าไม่เห็นเลย ว, ว่านายของเจ้าจัดการกับกลุ่มชนอาอย่างไร เพรว่าันเลาเชคบอว่า Allah เมื่อเล่าชคอว่าแลัมตนระกีฟะ فعل Allahu bi'at เ่ใช้คําว Allah, ่าฟะอَลَ ر อบُบุ ك َ ب ِ أ َ ع เราที่เรียนตัฟซิดมาช่วงระยะเวลาหนึ่งเราจะรู้ใช่ัหยครับว่ามันมีข้อแตกต่างกันระหวา่างคาว่าอัลลอฮ์กับคำว่ารอบอัลลอ์ในความหมายของความเป็นพระเจ้าที่คนต้องกราบไหว้ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งมีอนาจเหทุกคน ส่วนรับบุญจะเป็นความหมายที่แสดงถึงความปลูกพันเป็นความรักไข่เป็นการสร้างเป็นการดูแลเป็นการดูแลการบริหารจัดการต่างๆคําว่ารับบุญเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคําว่ารับเนี่ยจะเป็นความหมายแง่บวกจะเป็นความหมายแง่บวกเวลาที่เราจะคําว่ารับบุญตอนนี้พอเรากำลังบอกว่าเจ้าไม่ได้ดูหรอกหรือว่านายของเจ้าจัดการกับอาร์ตได้อย่างไรทาไมใช้ความหมายแง่บวกในการ จัดการทำลายล้างกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับชวนพี่น้องคิดนิดหนึ่งครับทําไมถึงเป็นคําว่ารับบุญทําไมถึงเป็นคําว่ารับบุญทาไมใช่คำว่ารับบุญวอลลอห์ไอหลังบอลล็อท่านั้นที่รู้ถึงคําตอบที่ถูกต้องแต่นี่คือเหตุผลที่นักอธิบายคุรานนักทัพซีดเนี่ยเขาได้ให้อธิบายมาแล้วครับผมเอคุณสนันสันนะครับสลามาวันกุณสลามลอัลตูร์บอบาระกาตูนะ ค, ครับแล้วก็คุณกิติศักดิ์สลามะ เราทำโดยแล้วครับแล้วก็วานิกรุษรามบรรพบุญว่าว่าบารักาทู่ครับผมพี่สาวนะครับพี่บันีนะครับอันนี้สายแข็งนะครับผมสายแข็งจริงๆมาแชร์ล้อกับหลายๆท่านที่ผมเจอนะครับคืออาจารย์ท่านไหนมีบรรยายที่ไหนนี่คือจะพบเจอหลายๆท่านนะครับจะอยู่เสมอเลยนะครับขอรับเมตตาแล้วก็ให้เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ที่มีบารักาผมไม่ได้ขอดว้วยให้เพราะว่ามาฟังผมไม่ได้ขอดว้วยให้เพราะมาฟังผมนะครับแต่ขอด้วยเพราะว่าผม ประทับใจในหัวใจที่รักในการเรียนรู้ครับผมสละมาก็วันกุนสษาระบุทุ ล, ล้วอวะบารักะทูครับผมระวังเจตนาครับรอวงเจตนาเจตนายิ่งบริสุทธิ์งานยิ่ ง, งใหญ่ใช้ตอนมายิ่งจะมาทําให้เราเสียคนมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมกลับมาพูดคุยกันครับ คุณเฉยวสลามาขอบคุณเช่นเดียวกันครับผมวายหรืุณสลาห์วางตุ้วะางตุข้อความท่านใดผมไม่เห็นขอมาออีกครั้งหนึ่งครับผมอาลัมตรกัยฟาฟาลบฝ่ายเรารับกบอาเจ้าไม่เห็นอหรือว่าผู้ยุบาลของเจ้านั้นทำอย่างไรไปแล้วกับปุ่มชนของอารผู้ยิบาลของเจ้านายของเจ้าใช้แสดงถึงคําที่เป็นความรักเพื่อแสดงให้เรารู้ว่าในเรื่องของการทาลายล้าง ไม่ใช่ทั้งหมดนั้นความหมายจะไม่ดีแน่นอนกลุ่มชนที่โดนทําลายล้างสำหรับเขามันต้องไม่ดีแต่ว่าในการทําลายล้างเนี่ยเราจะพบว่าหลายครั้งเนี่ยมันเป็นความเมตตาจากผู้ลอสซูบะฮันะฮุบวาตาพี่น้องเป็นความเมตตาจริงๆในการทําลายล้างเหมือนกับที่พบอกร์ลากาเบเรตอ่างครับเวลากุมฟิลคิซซิหายแตุยยาดิลัดบาบโอ้ผู้มีสติปัญญาผู้ที่มีความคิดอ่านจริงๆเนี่ย ในเรื่องของการตัดสินประหารชีวิตเนี่ยมันคือการให้ชีวิตพวกเราบอกให้รู้ครับว่าบางทีเรื่องการทำลายบางทีเรามองภูกัรการทำลายเนี่ยเหมือนกฎหมายของมนุษย์ในบางที่เนี่ยจะให้ความคุ้มครองคนผิดมากกว่าคนถูกมากกว่าคนที่ถูกกระทำคือคนถูกคนผิดเนี่ยต้องปกป้องเขาเขาเขาผิดไปแล้วเขาพลาดไปแล้วบางครั้งจะปกป้องคุ้มครองมากเกินไปแล้วผลก็คือคนบางคนที่ไม่ควรจะกลับมาอยู่ร่วมในสังคมได้เนี่ยเขากลับมาได้ง่ายๆ แล้วพอกลับมาเขาทําความชั่วซ้ำเพราะถ้าเราไปดูคดีในเรือนจําครับหลายเคสที่ว่าเหมือนกับผู้คุมเนะี่ยดูหน้าแล้วพอจะเดาได้เลยว่าไอเนี่ยเดี๋ยวมันต้องกลับมาอีกรอบเดี๋ยวได้เจอมันอีกรอบแน่นอนคือมันไม่สํานึกผิดหรอกมันไม่รู้อะไรมันไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเดี๋ยวมันต้องกลับมาผลก็คือคนดีก็โดนทําร้ายไปนรื่อยทําร้ายไปเรื่อยๆเพราะนั้นผู้อาวุโสพานใจเตือนสติมนุษย์ทุกคนคนที่มีสติยาทุกคนคนที่โลกสวยเกินไปในเรื่องของ บทบัญญัติบางเรื่องอ่ะที่ว่าต้องมีการจัดการให้เด็ดขาดเนี่ยมันเป็นความเมตตามากกว่ามันเป็นความเมตตามากกว่าอย่างในเรื่องของโทษประหารชีวิตมันก็มีผมเห็นด้วยครับว่าคนเราสมควรได้รับโอกาสแต่เราต้องยอมรับว่ามันมีจริงๆรอ่ะครับคนที่แบบว่าไม่มีทางหวังดีกับพวกเขาเหล่านั้นได้แล้วคือมมมไม่ไมาไม่งได้ดีแล้วถ้าประเภทนี้ การจบชีวิตหนึ่งชีวิตเพื่อรักษาสิบชีวิตดีกว่ามันก็เป็นโจทย์ที่มีการถกเถียงกันมายาวนานนะครับที่บอกว่าระหว่างที่จะเลือกฆ่าคนผิด เ, เลือกฆ่าคนถูกสิบคนเพื่อให้คนผิดตายไปด้วยหนึ่งคนหรือจะลวดปล่อยคนผิดสิบคนเพื่อให้คนถูกลอดไปหนึ่งคนนี่ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมายาวนานแล้วว่าควรจะเอายังไงไว้คือไปปล่อยไปเถอดรวมปล่อยคนช่วยไปด้วย หรือว่าจัด ก, การไปหมดต่อให้มีคนดีไปด้วยนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องศีลธรรมที่ว่าโถกเห็นกันมายาวนานแล้วคงจะพูดคุยกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ชวนเปิดประเด็นเฉยๆครับผมเพียงแต่นนนนในที่นี้ครับพวกเราใช้คําว่ารับบุญนายของเจ้าเพื่อแสดงให้รู้ว่าพี่น้องที่รักหาคกลุ่มชนอาร์ตไม่ได้ถูกทําลายล้างไปในช่วงเวลานั้นความหายนะบนผืนแผ่นดินจะมีมากมายมหาศารเกินกว่าที่พวกเราจะจินตนาการได้อันนี้คือหนึ่งในการที่พวกเราบอกให้เรารู้ บางคนอาจจะไม่ได้คิดแต่มากเราอาถุนทำลายก็ทำลายมันเกี่ยวอะไรกับฉันเกี่ยวมากเลยถ้ากลุ่มชนที่ชั่ว้ายมากๆที่มันชั่ว้ายทั้งกลุ่มที่มันไม่มีทางจะเอาดีได้แล้วถ้ามีลูกหลานก็สืบทอดความช่วยละชั่วรายด้วยกับอำนาจที่มีพี่น้องคิดว่าแล้วคนดีๆจะอยู่ยังไงเห็นด้วยไหมครับแล้วคนดีอยู่ยังไงเพราะนั้นถ้าเรามองดูฮิกมาเนี่ครับอลัลลคฟะฟ ะ, ฟะละรบกะบิอ เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่านายของเจ้าเนี่ยได้ทําอะไรไปแล้วกับกลุ่มชนของอาร์ตเราจะพบว่ามันคือรักไหมมันคือความเมตตาสําหรับมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนของกะบีนวะแน่นอนครับอิสลามไม่ได้สอนให้เรารักความรุนแรงเพียงแต่ว่าการรับมือกับความชั่วร้ายบางทีมันต้องใช้ความรุนแรงด้วยอันนี้นักกฎหมายเข้าใจดีนักปกครองเข้าใจดี คือถ้าโลกสวยอย่างเดียวเอาความรักอย่างเดียวพูดดีอย่างเดียวดูสวยงามมันเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องหลักแต่มันใช้ไม่ได้ร้อยเปบางเรื่องมันก็ต้องมีไม้แข็งเหมือนกับเรามีลูกใช่ไหมครับบางคนบอกพูดดีอย่างเดียวนั่นแหละไม่ต้องตีไม่ต้องอะไรเด็กเสียคนครับส่วนใหญ่จะเสียคนน้อยมากๆที่เด็กจะยังเป็นเด็กดีอยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องการบังคับเข้ามาด้วย ยังงมันจะมีกา ร, รบังคับลูกต้องไปเรียนนะลูกในได้เวลาละหมากรกต้องไปละหมาดมันต้องมีการบังคับด้วยไม้อ่อนก็ต้องมีไม้แข็งก็ต้องมีเหมือนกับเขาว่านะักปกครองก็ต้องมีทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณต้องมีแล้วทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณครับผมถ้าเราดูในอักุรอานสุรนัวครับ وقال نوح ر ب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذر هم لعبادك ولا إلا ف ك ف ا ر รับเบลฟิร์รลีวอลวัยเดียว ل ي ันด้เขาไปบนผู้มุมันและมุมันมม่นแลนะผู้มุ่งั่นอละไม่ททำให้ผู่ความผิดต่อการะทที่ผิดพลาดนี้ถึงขั้นถ้นงขั้นถึนถึงขั้น้นยึงขัันถึงนถึงขั้นถึง้นั้นถึงขั้นถึงขั้นถึงขล้นถนถขั้นถึงขา้นถันนันันัั ร็อบบีนายของฉันขอด้วยความรักด้วยความผูกพันร็อบบี้แตเซอรอันเดอรดมิเลกาฟีเดยียรอนายของฉันโปรดอย่าได้ปล่อยให้คนชั่วร้ายในหลงเหลือบนผืนแผ่นนี้อีกเลยอินดากาอินเนะะอนตอซัทหุม่มพอหาพระองค์ปล่อยพวกเขาไว้เนี่ยอยู่ดิลลูอีบ้าจากพวกเขาจะมาทําให้บ่าวดีๆของพระองค์นั้นหลงผิดไปด้วยอันแรกนะทําให้บ่าวหลงผิดทําให้คนดีหลงผิด อันที่สองเลาย่อดูอิลลาฟาเจรันกาฟารอแล้วถึงเวลาเขามีลูกหลานก็มีแต่ลูกหลานที่เป็นคนชั่วร้ายอีกเช่นเดียวกันประโยคนี้เป็นประโยคที่มีเพียงนบีนูฮ์ที่พูดได้คนยุคเราพูดไม่ได้ที่บอกว่ามันมีลูกหลานก็มีแต่คนชั่วเนี่ยเราพูดไม่ได้เพราะอะไรครับทําไมนบีนูฮ์พูดได้แต่เราพูดไม่ได้เพราะท่านนบีนูฮ์อายุเท่าไหร่ครับร่วมพันกว่าปีร่วมพันกว่าปี นักประวาสบางคนบอกว่าชื่อนัวเนี่ยในภาษาไอบรอนิยาภาษายูเนี่ยจะแปลว่าผู้ที่มีอายุยืนยาวมาจากนู่มีอายุที่ยืนยาวคืออยู่เห็นตั้งแต่รุ่นปู่เห็นตั้งแต่รุ่นพ่อเห็นตั้งแต่รุ่นลูกเห็นตั้งแต่รุ่นหลานเห็นตั้งแต่รุ่นเหรนเคยออยุคพันปีพี่น้องว่าจะทันอยู่กี่ยุคสมัยอะพี่น้องแล้วท่านอบีน้วเจอมาคือทุกยุค ท, ท, ทุกสมัยนี้มีแต่คนชั่วหมาเลยคนที่ศรัทธาน่ะมี ไม่กี่คนอาจจะไม่เกินสิบด้วยซ้ําตลอดช่วงชีวิตที่ท่านทําการถผยแพรผู้สถาน้อยมากๆคนที่ขึ้นเรือไปนักประสาทบางคนก็บอกมีแค่เป็นกลุ่มหลักสิบแค่นั้นแหละที่ขึ้นเรือไปลูกท่านก็ยังขึ้นไปไม่ครบเลยเพราะฉะนั้นนบีนัวเมื่อเห็นมาทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นุรุ่ น, น, นจนได้ข้อสรุปแล้วว่าถ้ามันมีลูกหลานก็มีแต่คนชั่วเพราะฉะนั้นขุมอย่างเนี้ยท่านนบีนัวจึงขอโดยจากพวกเราครับเมื่อท่าน ชัดเจนแล้วเมื่อท่านอยกเก็นแล้วว่าไม่มีทางที่เผ่านี้จะมีลูกหลานที่ดีได้ท่านก็เลยขอด้วยเลยว่าอย่าปล่อยพวกนี้ทิ้งไว้เลยเพราะพวกนี้อยู่เนี่ยมันจะทําร้ายคนดีๆ ด, ด้วยคนดีก็จะอยู่ยากแล้วพอมีลูกหลานก็มีแต่ลูกหลานที่ชั่วร้ายขยายไปเรื่อยๆนี่คือเหตุผลที่ว่ายิ่งต้องขอให้ทําลายล้างกลุ่ม น, นี้นี่คือเหตุผลที่เราไม่เกิดน้ําท่วโมโลกครับเพราะเรารับดัวแล้วก็จัด ก, การไป นขณะเดียวกันครับนบีนัวโดยพื้นฐานท่านไม่ใช่คนที่มีจิตใจโหดเงียมต้องเข้าใจนะการที่ขอดัวให้ทําลายคนชั่วร้ายเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเรามีหัวใจโหดเพรโหดเงียมเพราะอะไรครับเพราะต่อมาเนี่ยท่านนาบีนัวขอดวัวรบบลฟิสตีวาริวาดีาด้ยาโอนายของฉันปวดยอะโทษให้กับฉันด้วยเพราะท่านรู้ว่าสิ่งที่ท่านขอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นเรื่องที่หนาขอให้ทําลายชีวิตท่านกร็รูมันเป็นเรื่องใหญ่ท่านก็ขอจากแล้วว่าอัลลอฮ์ยกะโทษให้กับฉันด้วยในสิ่งที่ฉันขอ แต่มันจําเป็นจริงๆด้วยกับเหตุผลความจะเป็นสองข้อที่นบีตุลยาบอกคนดีก็อยู่ไม่ได้ลูกหลานก็มีแต่แพ้หลายแต่คนชั่วร้ายมาเรื่อยๆอัลลอฮ์ยกโทษให้แก่ฉันด้วยยกโทษให้กับพ่อแม่ของฉันด้วยขออัลลอฮ์ยกโทษให้กับพ่อแม่คนที่ขออุบาจากอัลลอฮ์ให้ยกโทษให้กับพ่อแม่ของเขานี่คือลูกที่ดีครับผม บางทีเราก็าจะรู้ลูกที่ดีคือคนที่ยกย่องพ่อแม่คือคนที่ว่าจัดงานเชียงเม้ให้พ่อแม่คือคนที่แบบว่าทําอะไรก็ตามแต่พูดแต่พ่อพูดแต่แม่อย่างเดียวสําหรับมุสลิมยังไม่ใช่คนที่ทําดีต่อพ่อแม่อย่างแท้จริงต้องอยากให้พ่อแม่ได้ดีจริงๆ จ, จ, จากพระลอสสุภานหัวตาละเพราะเรามุสลอิมพระเจ้าถ้าเรารักพ่อแม่เราต้องอยากให้พ่อแม่ได้รับการอภัยโทษจากพระลอสสุภานหัวตาละประเด็นนี้สแสดงถึง สูงสุดของหัวใจของผู้ศรัทธาปล้อยกโทษให้แก่ฉันด้วยคือฉันผิดรู้ยอมรับตนขอปล้อยกโทษให้แก่ฉันแล้วก็ยกโทษให้กับพ่อแม่ของฉันเพราะฉันรักพ่อแม่คนที่ฉันรักฉันก็อยากให้โป้อองรักเขาด้วยลปล้อโปรดยกโทษให้กับพ่อแม่ของฉันด้วยวอลิมันด้คอลยลบตีนี่คือความใจใหญ่ของท่านนบีนะพี่น้องแล้วใครก็ตามที่เป็นผู้ศรัทธาที่เข้ามาที่บ้านของฉันเนี่ยจะเป็นใครก็ตาม ยกโทษให้เขาให้หมดทุกคนเลยแล้วต่อให้ไม่ได้เข้ามาที่บ้านของฉันขอแค่เขาเป็นผู้ศรัทธาจะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นผู้หญิงอัลลอฮ์ยกโทษให้เขาให้หมดเลยแปลว่านาบีนัวดูอาให้พวกเราทุกคนตอนนี้พี่น้องนี่คือดูอาที่นบีนัวดูอาให้กับผมให้กับพี่น้องที่รับฟังตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามตับเดก็ตา ม, ตามที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่คือดูอาที่นบีนัวขอเผื่อให้กับพวกเรามาไม่รู้กี่พันปีแล้ว เพราะนั้นอย่างนาบีนว่าเราจะมองได้ไหมว่าเป็นคนใจอัมรหิตชัดเจนว่าไม่ใช่พี่น้องนี่คือความใจใหญ่ท่านขอขอโพล้ให้ทาสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นแล้วท่านก็รู้สึกผิดในสิ่งที่ท่านขอด้วยส่วนหนึ่งแต่ท่านก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องเป็นเพราะนี่คือสิ่งที่สมควรจะเป็นแล้วแล้วท่านก็ขอดูว่าให้กับตัวท่าน ให้กับพ่อแม่ของท่านให้กับใครก็ตามที่แม้มีโอกาสเข้ามาบ้านท่านแป๊บเดียวอัลลอฮ์เมตตาเขาด้วยแล้วก็ให้กับคนทุกคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะจาร์ซึ่งผัวล้อก็ได้กล่าวไว้ครับว่าเวลาเตซิดิซอรีมีนอิลลาต้าบาร์ส่วนคนที่ชอบอัรรมคนอื่นไม่เกี่ยวว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมคนที่ชอบโกงคนอื่นชอบหักหลังคนอื่นชอบหลอกลวงคนอื่น สิ่งที่จะเพิ่มพูมให้แก่พวกเขาเหล่านั้นก็มีเพียงความหยายนาะก็มีเพียงความไหานะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นมุมมองแล้วว่าบางครั้งเนี่ยในการทำลายเนี่ยมันคือความเมตตาของพอระลอสซุบานาหัวตาละมันคือความเมตตาของพระองค์ที่เลือกที่จะ เก็บรักษาแล้วก็คุ้มครองคนดีๆเนี่ยให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยก็ประเด็นตรงนี้ครับหวังว่าพีนาาาพ่น้องจะเข้าใจครับบอกพี่ว่าพี่น้องจะเห็นด้วยตามที่ว่ามาวอลล์ฮุต์ตาอล่าอาลัมพววัวลัซซุบานรนววตาลาท่านั้นที่เป็นผู้ที่รู้ดียิ่งที่สุดกลับมาครับผมกลับมาที่สุรัตุฟัดวอลล์เก่าไงครับ ألم ตรฟ้าล บ, บบิอัดอรมอติ ล, ม, ลมัลีไม่ิเหนดอกเไม่เห็นหรือเจาไม่ได้ใครควรหรือว่าพระเจนาของเจ้าได้ทำอะไรไปแล้วกับกลุ่มชนของอาอรอรอมลาติลมกลุ่มชนชาวอารอาศัยอยู่ที่เมืองที่มีชื่อว่าอิรมอมอรอมอย่างที่บอกก็คือระหว่างฮัตรุมโมสกับเยเ ม, ยมนนะครับพี่น้องเราดูในแผนที่ดูแต่ตอนนี้คือที่ราบเลียงละ โลรงเรียนแล้วจะมองไม่เห็นอะไรอิรอมซาติอีมาสเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้โดมโดมเดียวอ่ะพี่น้องเป็นเมืองที่มีเสาในที่เนี่ยนักประวัติบางท่านก็บอกเมืองนี้คือปกครองไว้ด้วยกับหลังคาขนาดยักษ์ควรระกาในกราดว่าเป็นเมืองที่มีเสานักประวัติบางส่วนก็มองว่าแปลว่าเมืองเนี่ยก็คือว่ามีเสาที่คาน หลังคาเอาไว้ซึ่งหลังคาหนึ่ง้อสัตว์เป็นโดมที่ว่าปกคลุมทั้งเมืองเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ความเกลียงไกลที่พวกลอมม่าให้กับชาวอารซึ่งเขาว่ากันว่าเมืองทั้งเมืองของเขาเนี่ยพี่น้องเมืองอิรอมทั้งเมืองเนี่ยถูกสร้างด้วยกับทองคําถูกสร้างด้วยกับทองคํา ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนครับเมืองที่กับเราะกล่าวว่าอันเ ล, ลตีลำยุคลักมิสลูฮาฟิลบิลาซึ่งไม่เคยถูกสร้างมาเชกเช่นเมืองนี้มาก่อนในอดีตในอดีตไม่เคยมีเมืองไหนทำได้แล้วปัจจุบันก็ไม่มีแล้วอนาคตก็จะไม่มีใครทําได้ด้วยพี่น้องไปดูเถอะประเทศไหนจะรวยแค่ไหนก็ตามไม่มีใครทําสิ่งนี้ได้มาก่อนแปลว่านี่คือหนึ่งในกลุ่มชนที่ได้อภิสิทธ มีความสามารถเหนือมนุษยชาติทั้งโลกนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันยันเป็ถึงอนาคตเลยกลุ่มชนที่ยิ่งใหญ่เกลียงไปขนาดนี้ที่มีนวัตกรรมในเรื่องของการสร้างสรรค์บ้านช่องที่สวยงามมีการสลักสลเหลวมีความงดงามมีความสวยงามแล้วก็พวกเขาก็มีรูปแร่างที่ว่าใหญ่โตในวัคที่ว่าอัลเลตีลำยุคลักมิสตูฮาฟิลบีล็ด ที่ว่าไม่เคยถูกสร้างเหมือนกับพวกนี้มาก่อนในประเทศหนึ่งประเทศใดในที่นักอถา ธ, ธิบายโบรานแปลได้2ความหมายความหมายแรกก็คือเมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่เคยมีใครทําเชกเช่นเมืองนี้มาก่อนความหมายที่2ลํายุคลักมิสโลฮาเนี่ยกลับไปหากลุ่มของชาวอารเป็นการบอกว่ากลุ่มชนชาวอาร์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่โบลส์สร้างมาให้มีรูปร่างที่กํายำให้มีความแข็งแรง ให้มีความสามารถให้มีนวัตกรรมที่ว่าไม่เคยมีใครที่พวกเราสร้างให้มีความสามารถระดับนี้มาก่อนเป็นว่าไปได้สองอย่างตัวของกลุ่มชนอาเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มชนที่ว่าไม่มีใครทัดเทียบได้ในเรื่องของความเข้มแข็งความแข็งเก่งในเรื่องความสามารถในเรื่องของความสร้างสรรค์แล้วเมืองที่เขาสร้างก็ไม่เคยมีเมืองไหนที่ใกล้เคียงกับเมืองของเขามาก่อน สุดงามวะพี่น้องเราไปดูตรงไหนเป็นดูเมืองที่มีความเวริรวังอลังการพี่น้องไปดูประเทศไหนก็ตามที่ว่าพยายามจะสร้างที่มีแปนสร้างเป็นตึกสูงเป็นตึกใหญ่โตเป็นสุดงดงามโมโหลานแค่ไหนเทียบเท่าไม่ได้เรากับปุ่มชนชาวอารถึงเราจะบอกว่ายุคนี้นวัตกรรมไปไกลแล้วคนฉลาดขึ้นแล้วเทียบไม่ได้กับชาวอาร์ที่ว่าอยู่มาไม่รู้กี่พันปีแล้วแต่พวกลอตบอกว่าไงครับดูสิว่าพวกลอตทาอะไรกับพวกเขาเหล่านั้น พวกล้อสร้างให้พวกเขาแข็งแรงกำยำสร้างให้เขามีความสามารถให้เขามีน้ตแต่การให้เขามีเทคโนโ ล, โลยีสร้างให้พวกเขามาสามารถสร้างเมืองที่ไม่มีเมืองไห น, ไหนเมืองของเหมือนเมืองของพวกเขามาก่อนดูสิพวกล้อให้เลยพวกเขามาบ้างทําอะไรกับพวกเขามาบ้างที่บอกครับเ <c oughs> นี่ยไม่ใช่ให้ดูแค่ที่ลงโทษอย่างเดียวแต่ดูว่าล้อมมอบอะไรให้กับเขาดิสกีต้ต่างๆท่ให้กับเขาเนี่ยมากกว่าแทบจะทุกกลุ่มที่พวกล้อเคยสร้างมาบนสื่อปั่นุบันนี้แล้วเอาล้อให้มากมาย แต่เขาตอบแทนกับพวกลอ้อยังไงล่ะพี่น้องเขาตอบแทนยังไงฝ่ฟาฝืนไม่เชื่อปฏิเสธตอบล้อทั้งๆ ท, ท, ที่ว่ากลุ่มชนชาวอาร์ตเนี่ยไม่ได้ไกลจากยุคสมัยดบเบิ้ลเวเท่าไหร่เลยนะเขาก็ยังมีเรื่องราวเล่าขานอยู่ว่าเคยเกิดเหตุการณ์น้าท่วมโลกเกิดคนฝ่าฝืนเกิดอะไรนี่แหละเรื่องราวยังมีอยู่แต่อะไรเหตุใดมันทําให้เขาช่าง ช่างลืมไปได้ไวขนาดนั้นช่างหลงลืมไปได้ง่ายขนาดนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับผู้รอดซูบะฮันตรายได้กล่าวในสุรัสอารอฟ ah um ว, ว, ว่าอิละอาดินอัคฮุมฮูดพวกเราก่าชัดเจนแล้วว่าแล้วผู้รอก็ได้ทรงเลือกที่จะแต่งตั้งเนี่ยฮูดนบีฮูดเนี่ยให้เป็นศาสนาพูดเผยแผ่ยังกลุ่มชนของอาร์ตก oh, um ah at ็ละยาเก้ามี่อบูดุลลอหมาเลกุมินอิลาัิน์อยรุอัฟละตัตกูุน หลังจากที่อลัลลอฮ์ให้ความยิ่งใหญ่ให้ความเกรียงไกรกับกลุ่มชนนี้กลุ่มชนนี้ฝาา่าฝืนอัลลอฮ์ปฏิเสธต่อพวกอลอสุภานุวัตลาทําการตั้งภาคีต่อพองค์กับไหว้สิ่งนอกจากองค์น บ, บีฮุดบอกว่าไงครับกลุ่มชนของฉันกราบไหว้ต่ออลัลลอฮ์สิทําอิบาดาต่ออลัลลอฮ์สิพวกเจ้าเนี่ยไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วนอกจากอาลัลลอฮ์นะมีอลัลลอฮ์ฉะนั้นเป็นพระเจ้าทําไมพวกเจ้าไม่มีความสำรวมทําไมไม่มีความตะว่า เตือนเตือนดีๆครับบอกก็บอกดีๆบอกให้ได้คิดกลุ่มอารบอกว่าไงครับกอลัลมาลอุลละดีนะครับฟาโร่เมมเกมิฮอินนาร์นาโรกาฟีซาฟาฮาตินว่าอินนาร์นาซุนูแกมินาแกดีบินกลุ่มชนที่อยู่ในเมืองนั้นที่เป็นผู้ไปเสดสแทเขาบอกว่าไงครับเราดูแล้วก็เห็นว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดอะไรนะเราเราดูแล้วรู้สึกคุณคุณก็เป็นคนโง่คนหนึ่งบอกนี้กับนบีฮุส เขาเทลเอเขาถือว่าเขามีความรู้มากมายเขาสร้างเมืองที่แบบว่าทั้งโดมปกคลุมทั้งเมืองได้ทํามาจากทองคํามีความสามารถสลักเสาอย่างสวยงามแล้วมู๊ทำอะไรไม่เห็นทำอะไรได้เหมือนปัจจุบันบางครั้งเราให้ความสําคัญกับชื่อเสียงเกียรติยศมากเกินไปจนไม่ได้มองถึงเนื้อแท้ของการศรัทธาคุณชนก็บอกเนี่ยเราเห็นว่าคุณกัเป็นคนโง่คนหนึ่งไหมมีความเสียใจอะไรแล้วเราก็คิดป่ว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนโกหกดีๆนี่เอง อะไรมาบอกให้เรากล่าวไหว้พระเจ้าองค์เดียวเนี่ยพ่อแม่ของเรากราบไหว้มาเยอะแยะแล้วบางพวกหรือเรากราบไหว้รูปปั้นมาหลายรูปแล้วอะไรมาจากไหนเอาเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวปฏิเสธทั้งๆ ท, ท, ที่พระองค์เป็นผู้ให้ความสามารถทั้งหมดเขากลับไม่เฉลียวใจเลยว่าทําไมเขามีความสามารถแตกต่างจากุน่นชนอื่นกลับเขาข้างตัวเองอ๋อเนี่ยมันเป็นความสามารถที่สืบทอดมาจากลุ่นพอ่อรุนพอ่นพอรุงพ่อคนถ้าจะหลงผิดต่อให้เอาล้อให้เขามากแค่ไหนเขาก็หลงผิดครับพี่น้อง หรือบางทีจะยิ่งหลงผิดนบีฮูดครับเมื่อได้ยินครับก้อเลยะก้มีเลยสบิสเฟฮาวะลากินีรอซูลมุมเนรอบิลัยละมินกลุ่มชนของฉันเอย๋ยพูดดีๆครับพูดด้วยกับมารยาตอบโต้ความชัว่วไร้ด้วยกับคําดีๆไม่ได้โกรธไม่ได้ถื้สาหาเรื่องอะไรท่านตอบดีๆว่ากลุ่มชนของฉันฉันยังไม่ได้โง่เขาฉันไม่ได้เป็นคนบ้าอะไรที่ไหนแต่ว่าฉันนั้นเป็นศาสนาพูดที่มาจากนายแห่งสากลลโลก มาจากผู้ที่รักพวกคุณผู้ที่สร้างคุณมาผู้ที่เ ด, ดดูแลพวกคุณผู้ที่เป็นเจ้าของพวกคุณพงแต่งตั้งฉันมาเพื่อมาเตือนสติพวกคุณอูบลัลเลโกคุมลิซาลาติรับบีวานาลกุมนาซิฮุนอามินฉันมาเพื่อที่จะมาส่งต่อสารจากนายของฉันแล้วฉันเนี่ยเป็นผู้ที่มาเตือนคุณ ที่พวกคุณไว้ใจฉันได้เพราะฉันไม่ได้ต้องการลาบยศเสริญฉันไม่ได้มาเรียกร้องหรือที่ของอย่างอไรจากพวกคุณไม่ได้ต้องการอะไรเลยเหมือนกับท่านอบีมุฮัมมัดสุลต่านของอัสซาลัมถ้าถ้าต้องการทรัพย์สินต้องการอำนาจท่านได้ทุกอย่างตอนที่กุรเชชมหาห า, อ, าอับดุลเบี๋ยมุฮัมมัดเจ้าต้องการอะไรละ่ะต้องการผู้หญิงไหยเราใช่ผ้หญิงที่สวยที่สุดเป็นภรรยาหรือถ้าต้องการทรัพย์สินเราใช้คุณเป็นคนที่รวยที่สุดหากต้องการเป็นราชาเราใช้พวกคุณเราใช้คุณเป็นราชาของพวกเรา อยากได้เลยว่ามาเลยท่านนบีมฮรรรูฮัมมัดสุลัยซามตอบว่าไงครับต้องการฉันต้องการแค่อย่างเดียวที่ฉันต้องการเน่ยแค่อย่างเดียวแค่นั้นแหละต้องการให้คุณกราบไหว้อลัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวท่านนบีไม่เคยเรียกร้องอะไรให้ตัวเองท่านนบีมูฮัมหมัดสุลัยซามบอกว่าต่อให้คุณเอาดวงอาทิตย์มาไว้ที่มือขวาฉันได้เอาดวงจันทร์มาไว้ที่มือซ้ายฉันได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเพราะนบีไม่ได้เรียกร้อง อะไรจากพวกเขาเลยและนี่คือสุนานหรือแบบอย่างจากนบีทุกคนคนที่ทํานานศาสนาในยุคอดีตแต่และท่านท่านเป็นบแบบนี้มาด้วยความจริงใจแล้วก็ทำตามหน้าที่อมานะที่อัลล์บอกกับท่านเหล่านะั <S <S ้นอลจบตุมอันจอกุมกรมรบบิคุมอลจดิมิงุมิยุงจิรคุมวสอิชลักุมุลฟ้มิบกอมหนูวะซาลกุมฟิลคัลกบัสต ฟังสักครูอ้าล่ะอัลลอฮิละอัลลัคุมทุฟลิฮนบีฮุสต์ก็ต่อครับคุณประหลาดใจขนาดนั้นเลยเหรอในการที่พว้ร้อนเนี่ยให้คําเตือนแทนคนที่มาจากพวกคุณนั่นแหละอัลลอฮ์ก็ให้คนในกลุ่มฮุตเนี่ยแหละฮก็อยู่ในกลุ่มของอารรู้จักกันดีผู้ร้อนไม่ได้ไปเอาคนข้างนอกมาคนข้างในที่คุณรู้เช่นเห็นชาติที่คุณรู้จักตั้งแต่เด็กๆ เ, เนี่ย คุณไม่เชื่อใจเขาเลยเหระคนนอกอาจจะโกหกอาจจะหลอกลวงอาจจะหวังผลประโยชน์แต่เนี่ยคุณเห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วนบีฮูซก็บอกว่ามันเป็นเรื่องประหลาดขนาดนั้นเลยเหรอในการที่โปรล้นายของเราเนี่ยจะส่งการเตือนมาผ่านคนในกลุ่มของเราเองคิดสิถึงความปวดปานที่โปรล้อให้คุณเนี่ยเป็นผู้ปกครองคือมีอำนาจมากที่สุดแล้วนับจากยุค ข, ของนบีนั แปลว่าเป็นการเตือนสติด้วยก่อนหน้าเนี่ยยุคนบีนัวก็มีอำนาจใหญ่โตเหมือนกันพวกเราก็ทำลายมาแล้วแล้วคุณก็เพิ่งผ่านยุคมาไม่กี่ยุคแล้วพวกเราก็ให้ความปวดปานมากมายมหาศาลขนาดนี้ทำไมถึงลืมเร็วล่ะวอเซเดกุมฟิลคาลกิบัสต์แล้วพวกเราก็เสริมให้กับคุณในเรื่องการสร้างรูปร่างของคุณที่ว่าเข้มแข็งใหญ่โตยิ่งกว่าทุกเผ่าพันธุ์ที่เคยมีมา ก, ก่อน คือกลุ่มชนนัวเนี่ยพวงล้อให้เขามีความยิ่งใหญ่ในกลุ่มชนนั้นแต่กลุ่มชนอาร์พวงล้อให้มากกว่าที่ได้กับกลุ่มชนนัวนบีฮูดก็เลยเตือนครับเอาล้อยคุณมากที่สุดแล้วนะทําไมไม่กลัวพวงทําไมไม่รักพวงทํา ไ, ไม่หวังจากพวงแล้วพวงได้คุณมากขนาดเนี่ยคุณไม่กลัวหรือกลุ่มชนก่อนหน้าคุณเนี่ยได้ไม่เยอะขนาดคุณเมื่อเขาดื้อมากๆพวงล้อก็ทําลายก็ได้ แล้วคุณได้เยอะขนาดนี้แล้วยังจะตะแบงดื้ออยู่คุณไม่กลัวจริงๆเหรอเป็นการเตือนเตือนสติพวกเราทุกคนด้วยยิ่งคนที่พลอยริสกีเขามากๆให้ความปลดปลันเขามากมให้เขามีความรู้มีความสามารถมีหน้ามีตาในสังคมมีรูปร่างที่งดงามยิ่งเราได้เยอะเรายิ่งต้องกลัวล้อพี่น้องเพราะยิ่งเราได้เยอะถ้าพวกล้อจะลงโทษก็ลงโทษเยอะกว่าคนอื่นพี่เป็นเรืะเบียหุ้เตือนวอสกูรู คิดสิทบทวนสิให้ควรสิถึงความปวดปานต่างๆที่ผู้รอบมีให้กับคุณหวังว่าคุณนั้นจะพบกับชัยชนะคุณคิดหรือว่าบ้านเรือนที่คุณมีอยู่เนี่ยคือการประสบความสําเร็จคุณคิดหรือว่าร่างกายที่หล่อเหลาที่ใหญ่โตที่แข็งแรงที่กํายำเนี่ยมันคือความสําเร็จปัจจุบันคนมองว่านี่คือความสำเร็จถูกไหมครับบางคนเนี่ยเข้าเวทไปเข้ายิ้ม เข้าเป็นปีเป็นปีเป็นปีจนร่างกายสวยงามรู้สึก้ว่าฉันประสบความสําเร็จบางคนทุ่มเทกับธุรกิจจนล่ํารวยฉันประสบความสําเร็จบางคนไปหาหมอทำเสรีกรรมเพื่อให้ได้หน้าตารูปลักษ์ที่ต้องการพอได้ปุ๊บฉันประสบความสําเร็จบางคนจบสูงฉันประสบความสําเร็จเราคิดว่าสิ่งนั้นคือการประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเหรอไม่ใช่หรอกมันไม่มีประโยชน์เลยถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ทําให้เราลอดพ้นจากความปดปวของหัว แ ล, แล้วมันยิ่งจะเป็นตัวถ่วงเราถ้าสิ่งเหล่านั้นทำให้เราเจอความกดดิ้วขอร้อยอีกจากไหนขอร้อซุบฮานตาราผู้ทรงเมตตานั้งคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากการเป็นบ่าวที่ตาบอดหูนวกมองไม่เห็นความเมตตาที่ผู้ร้อนนั้นมอบให้กับพวกเรากาลอาชีตนาลินับุดัลลอฮวาห์เดหู ونذر م ร كان يعبد آباءنا ف น ت ن ม بما تعلنا إن ك น ت من الصالحين ن น و ذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله เขาบอกว่าไงครับอะไรกันเจ้าจะมาให้เราเนี่ยแกวยลวไหวอลาอง์เดียวแล้วให้เราละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่บัมพุรุตเราแกาบไหวามากันนั้นความหลงผิดของมนุษย์หลายครั้งข้ออ้างของเขาก็คือกัมพุรุตเราทำได้นมาทําไมเราต้องทิ้ง ล, ล่ะเราทิ้งแล้วก็ไปดุ ก, กับกตันยูแล้วก็เหมืเป็นคนดีสินี่คือหนึ่งในเหตุที่ฉุดให้คนตกตาําถามเนี่ยครับบัมพุรุษเราไม่มีใครขับรถยนต์ทําไมเราขับรถยนต์ ถ้าจะรักบัมพ์พัหรุดก็เอาให้มันสุดๆสิเอาเขาขี่วัวขีควายขี่ม้าแล้วก็ขี่วัวขี่ควายขีม้าไม่ต้องใช้มือถือนะไม่ต้องอยู่บ้านใหญ่โตนะที่อย่างนี้ทำไมไม่รักบัมพัุรุษพอเป็นเรื่องของอะไรที่ว่ามันมีสิ่งที่ถูกต้องมาแล้วทําไมถึงไม่ทิ้งทําไมถึงยึดแล้วก็หวงแหนเหลือเกินอันนี้คือจะสีฮะให้กับมุสลิมทุกท่านที่ว่ายังเข้าใจผิดอยู่ในเรื่องของถ้าฉันรักบัมพัฟรุษของฉันในฉันต้อง ทำในสิ่งที่เขาทําตามทั้งหมดฉันห้ามเปลี่ยนไม่ใช่พี่น้องนี่คือความหลงผิดที่แทบจะทุกประชาชาติเนี่ยได้ประสบมาแล้วครับพี่น้องที่รักครับวันนี้เราพูดกันหอมปากหอมคอถึงแค่ตรงนี้ครั้งต่อไปเรามาดูกันต่อครับว่าหลังจากที่เขารับไม่ได้ชนกลุ่มนี้เขาเลือกที่จะพูดอะไรต่อและนั่นแหละคือเหตุผลของหายนะที่ มันกำลังจะตามมาเจอพวกเขาซึ่งเราก็ขอดัวาจากพวรสุภานุตาลาให้เราลอดพ้นอย่าให้เราเป็นเหมือนกับที่พวกเขาเหล่านั้นได้ผิดพลาดมาแล้วขอพวรสุภานุตลาผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรผู้ที่ไม่มีพระเจ้าใด น, นอกจากพระองค์ผู้ซึ่งไม่มีบิดาไม่มีบุตรขอพวรสิ่งแต่พวกเราทุกคนขอพวรสัมภาระพวกเราขอพวรสิ่งนั้น ให้ความเมตตากับพวกเราตลอดไปทันยุยาแล้วอาชระขอพวรานั้นให้เราเห็นสิ่งที่ถูกต้องว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้เราได้ไปบัตรตามสิ่งที่ถูกต้องขอพวรอสุภายนต์ตาให้เราเห็นสิ่งที่ผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดขอโดยจากพวกเรานั้นได้ออกห่างจากสิ่งที่ผิดขอโดยจากพวกเราสุภายนตานั้นสิ่งใดก็ตามที่เราไม่รู้ยาวล้อปวดให้เรารู้สิ่งใดก็ตามที่เรารู้แล้วแต่ทําไม่ได้ขอให้เราทําได้สิ่งใดก็ตามที่เราต้องไม่ทําหรือไม่ควรทํายาวล้อขอให้เรานั้น ออกห่างจักมันได้ขออันนั้นเป็นบ่าวที่ดีของพวกเราลัทธิบาตราขอเลิกเมตตาอาไปโทษให้กับพวกเราอาไปโทษให้กับพ่อแม่ของพวกเราอาไปโทษให้กับผู้ศรัทธาใดๆก็ตามที่มีปฏิสัมพันธ์กับพวกเราแล้วก็ขอพวกเราดโทษเอาไปโทษให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าจะ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามแล้วก็ขอให้เรานั้นมีชีวิตยอยู่ในสภาพของมุสลิมผู้ที่ยอมจำนนต่อพระองค์แล้วก็ขอให้เราเสียชีวิตในสภาพของผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ในสภาพของบุคคลที่พู้อัลลอฮ์รักเขาแล้วเขาก็รักพู้อัลลอฮ์ด้วยเถิดครับอักูลูกาลีฮานะวาสักฟุลลอฮะลีวัลลัุม و ل ل ر ا ل ر س ا ئ ل ل المسلم ي ن من ك ل ยไม่คุณที่ و ะมาสักครูอินน ا นี่ ل ือว่ากับเราอ ل ا นิษฐ์นะครับท่านพ ك ะเจ้ามายูฮัมค่ันอินน์อย่เขาะครับกันินะันพระเจ้ามายควาาออเาครับวัครับะฮะะาคร